ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องผลกรรมนำชีวิตโดยสมณาัาพา์ซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่18มีนาคม2545ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณาบาัดนี้ นนะผู้ที่ใฝ่ใจในพุทธศาสนาทุกท่านวันนี้เราก็มาร่วมนะเนื่องในพิธีศพของโยมรวมธรรมนะหรือโยมมาลีรัตจิตสุชนชอายุน่าตั้งแตนะ่เกิดจนถึงวันมรณภาพรวมแล้ว77ปี โยมปกติหลายคนก็ถามอยู่ว่าวันนี้้ปรากฏว่าพอรู้ว่ามีการจัดงานศพที่สันติอาสอกน้าก็ถามว่าโยมชื่ออะไรน้าก็บอกว่าชื่อโยโอมรวมธรรมปรากฏว่าพวกเราหลายคนก็เอ๊จาชื่อไม่ได้น้าหลายคนจะรู้สึกอย่างนั้นแม้แต่อาตมาเองก็เหมือนกัน ก็พยายามนึกว่าเอ๋โยมคนไหนนะพอตลังมาเห็นรูปถึงได้นึกได้นะแล้วก็เมื่อกี้ลองสอบถามนะ้ลูกหลานดูนะ้ถึงได้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าปกติแล้วเนี่ยโยมเองเนี่ยกินเจรหรือกินมังสวิรัตมาอย่างต่ำนะอย่างน้อยน้อยยี่สิบกว่าปีแล้วสำหรับตัวโยมนะแต่ไม่ทราบว่า ที่ภายในบ้านมีคนอื่นกินบ้างหรือเปล่านะหรือว่ามีโยมอยู่คนเดียวคนอื่นๆก็อาจจะกินบ้างนะในบางวันหรือว่าบางครั้งบางกาลละนะแต่โยมเองเนี่ยเป็นคนที่ขยันนะมีจิตใจที่เข้มแข็งเคยมาที่สันติอาโศกนะก็จําได้ว่าบางทีก็ไปช่วยทางด้านป้าภายัยนะบางทีก็มาเสาว์ทิตย์อะไรเงี้ย จะพบอยู่บ่อยๆแล้วก็เห็นตารังก็ไปที่ปทมมสุโนขะก็ไปช่วยอยู่ที่นั่นนา น, น, านรู้สึกกะนานกว่าอยู่ที่อื่นหลังสุดเนี่ยประมาณส อ, สองเดือนมานี้นะโยมก็ไปซื้อบ้านาไปสร้างบ้านอยู่ที่ศรีมาโศกนี่สามวัดแล้วนะโยมสามวันแล้วนะววนะไปที่ศรีมาก็อยู่มาจนทุกวันนี้แหละ พอดีถต่หลังก็เพิ่งกลับมาเมื่อไม่นานนี้นะก่อนที่จะเสียชีวิตก็ลูกหลานก็บอกว่าโอ้ก็ดูแจม่มใสดูสดชื่นดีแต่โยมมีโรคประจำตัวคือความดันความดันโลหิต ส, สูงนะแล้วก็มีโรคหัวใจใช่ไหมนางก็ปรากฏว่ามีอยู่วันนึงหลังจากที่เข้าห้องน้ำแล้วปรากฏว่าออกมาจากห้องน้ำแล้วก็รู้สึกปวดหัว นะอาจจะไม่รู้นะรีบลุกขึ้นหรือเปล่าแล้วก็รีบออกมาหรือเปล่าเพราะว่าเลือดมันอาจจะขึ้นสมองไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็เลยปากฏว่าอาการก็ไม่ค่อยดีลูกหลานตะลังก็พาส่งโรงพยาบาลใช่ไหมอ่าก็ปากฏว่านี่ก็เส้นโลหิตในสมองแตกนะก็เลยอยู่มาอีกไม่กี่วันสามวัน นั้นตะหลังก็เสียชีวิตนะก็ปรากฏว่าก่อนจะเสียชีวิตก็มีอารมณ์ดีลูกหลานยังบอกรู้สึกว่าเออสดชื่นแจ่มใสจังเลยนั้นก็คิดไม่ถึงว่าจะมาเสียชีวิตเร็วปานนี้แต่จริงๆอายุตั้งเจ็สิบเจ็ดปีแล้วอาตมาว่าทุกวันนี้เจ็ดสิบเจ็ดปีก็ถือว่าอายุยืนยาวมากพอสมควรน ะ, ะส่วนใหญ่บางที ยังไม่ถึงเจ็ดสิบเลยถ้าซ้ำไปนะพวกอาตมาเองบางครั้งก็ปายงานศพมาก็ไม่น้อยนะส่วนใหญ่เนี่ยบางทีทุกวันนี่ประมาณสักหกสิบโดยเฉลี่ยถ้าขึ้นมาถึงเจ็ดสิบนี่ถือว่าอายุยืนแหละนะถ้าใครขึ้นเลยแปดสิบขึ้นไปเนี่ยโอ้โหถือว่าอายุยืนได้มากมากซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลของแต่ละคนที่จะสั่งสมมา ท่าในเรื่องของการมีอายุยืนยาวพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสสอนอาไว้ท่านบอกว่าคนเราจะมีอายุยืนยาวนะอย่างให้น้อยสุขภาพก็ต้องแข็งแรงแล้วก็เรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะก็จะต้องไม่ไม่มาเบียดเบียนหรือว่าถ้ามีก็เบียดเบียนน้อยสามารถรักษาหายได้นะซึ่งถ้าอย่างนี้สุขภาพดีนะทั้งกายทั้งใจ อายุก็จะยืนยาวแน่นอนถ้าไม่มีวิบากกรรมอื่นมาตัดรอนอะไรนะแต่ตอนนี้วิบากกรรมอื่นจะมาตัดรอนไม่มีก็ต่อเมื่อช่วงที่เรามีชีวิตยอยูนะ่เรารู้จักสั่งสมบุญกุศลนะไม่ใช่ว่าอยู่ไปวันๆเราเองก็อาจจะคิดอยู่แต่เรื่องของตัวเองนะทํามาหากินตื่นมาตั้งแต่เช้านะจะหาเงินหาทองยังไง ่าจะไปทํางานอะไรที่จะทําให้เราเนี่ยได้ทรัพย์สินเงินทองเพื่อที่จมาซื้อขายจับจ่ายใช้สอยโดยที่บางครั้งเราก็เลยอาจจะลืมนึกถึงเรื่องของน้าจิตน้ําใจเรื่องของบุญบุญศน์จนกระทั่งบางครั้งเผลออยากได้นั่นอยากได้ดีมากๆอยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้ตําแหน่งสูงๆเงินเดือนมากๆบางครั้งจนกระทั่งเราลืม ลืมบุญกุศลก็คือบางครั้งเราก็กล้าทําสิ่งที่ไม่ดีกล้าทําจนกระทั่งนะบางคนเนี่ยจะโกงเขานะจะเอารัดเอาเปรียบเขาจะทุจริตจะคอร์รัปชันบางทีก็เลยกล้าทําเพราะความโลภหรือว่าความอยากได้นะจนกระทั่งก็ลืมเลือนเรื่องของศีลเรื่องของธรรมะหรือเรื่องของความดี ซึ่งถ้าอย่างนี้ใครมีชีวิตอย่างนี้ก็จะสั่งสมนะสิ่งที่เป็นบาปกรรมนะเป็นสิ่งที่จะทำให้นะมาตัดรอนละ่ะอันนี้แหละเขาเรียกว่ากรรมที่จะมาตัดรอนจะทำให้บางทีอายุก็สั้นนะยิ่งโดยเฉพาะเรื่องของอายุเนี่ยพระเจ้าท่านตรัสเอาไว้อย่างชัดเจนนะนายแพระไตรบินกนี่ท่านก็ยืนยันไว้ว่าถ้าใครอยากจะมีอายุยืนยาวเนี่ยก็ต้องนะอย่าไปเบียบเบียน อย่าไปทำร้ายนะชีวิตอื่นไม่ว่าจะเป็นคนก็ตามไม่ว่าจะเป็นสัตว์ก็ตามนะพยายามอย่าไปเบียดเบีย น, นทำร้ายชีวิตอื่นเพราะในเมื่อเราเนี่ยนะไปทาให้เขาอายุสั้นไปทาให้เขาตายเร็วนะบางทีเนี่ยแม้แต่เราจะไปกินเนื้อสัตว์กินหมูเป็ดไก่วัวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แล้วนะเราไปกินเขาก็ต้องตายเพื่อที่มาให้เรากิน ว่าอันนี้เราบางทีเราก็ว่าเราไม่ได้ไปฆ่าเองนะคนอื่นเขาฆ่าเขาทามาให้เสร็จแล้วบางทีเราก็เพียงแค่ไปซื้อที่ตลาดเท่านั้นนะซึ่งจริงจริงแล้วเนี่ยเคยยกตัวอย่างให้หลายๆคนฟังว่าบางทีคนที่เขาฆ่าอยู่ที่ตลาดเนี่ยจะเป็ดไก่จะอะไรอะ่ะไก่ย่างหมูสเต๊กหรืออะไรก็แล้วแต่และบางทีเขาฆ่าเนี่ยเขาคิดแต่เรื่อง เงินเท่านั้นนะ่ะสิ่งที่เขาต้องการจริงๆเนี่ยคือเขาต้องการเงินแต่คนที่กินเนี่ยนะคนที่กินเนื้อสัตว์อยู่จริงๆแล้วต้องการอะไรต้องการกินเนื้อจำบูเป็ดไก่อะไรก็แล้วแต่คนกินเนี่ยต้องการกินเนื้อเพราะนั้นคนกินไม่ได้ฆ่าเองก็จริงแต่คนกินเนี่ยเอาเงินนับไปซื้อให้เขาฆ่ามาให้เสร็จแล้วเราก็ไปซื้อ ซึ่งอันนี้แหละลเรามาเคยถามว่าว่าคนกินเขาต้องการอะไรคนกินเขาต้องการปุ๋ยไงต้องการเนื้อหรือว่าชีวิตสัตว์นั้นแต่คนที่เขาฆ่ามาขายเนี่ยเขาต้องการอะไรทีเขาต้องการแค่งเงินเพียงอย่างเดียวถ้าโดยกฎหมายหรือว่าโดยเอาไปขึ้นศาลเนี่ยนะโดยทั่วไปเราจะรู้อยู่เลยว่าจำเลยอันดับหนึ่งก็คืออะไรคือคนที่ จ้างเขาฆ่าพูดยังนะส่วนอันดับสองก็คือคนที่ไปลงมือไปฆ่าเขาเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถ้าเวลาสารเขาลงโทษนะเขาก็ลงโทษจำเลยอันดับหนึ่งนี่หนักกว่าเพราะอนะไรเพราะว่าเป็นตัวต้นเหตุหรือเป็นตัวที่ทําให้ชีวิตอื่นเนี่ยเขาต้องตายเป็นตัวต้นเหตุเลยเพราะว่าถ้าไม่มีคนฆ่าไม่มีคนที่ต้องการจะไปกิน เนื้อไปกินชีวิตของคนอื่นแล้วเนี่ยนะคนฆ่าเนี่ยเขาต้องการแต่งเงินเป็นส่วนใหญ่เพราะถ้าคนฆ่าเนี่ยเขาแบบว่าเอา้าถ้าฆ่ามาแล้วเนี่ยนะไม่มีคนกินเขาก็เลิกฆ่าทังนั้นเองเพราะว่าเขาต้องการเงินมากกว่าถ้าเราเข้าใจเหตุผลเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอ้อถ้าอย่างนั้นเนี่ยอย่างโยมรวมธรรมเนี่ยนะวันโยมเข้าใจเหตุผลพวกนี้นะโยมถึงได้เลิกกิน ชีวิตของชีวิตอื่นเขานะอุตสาห์แบบว่าตั้งยี่สบกว่าปีมาแล้วไม่น้อยเลยนะยี่สิบกว่าปีมาแล้วแล้วก็ถ้าถ้านีอายุยังต่อไปได้อีกก็คงกินไปเรื่อยๆอจนตายฮะเรียกว่าผู้ง่าย ง, ง่ายเพราะนั้นจะให้เห็นเลยว่าโยมชัดเจนในเรื่องนี้มากเลยวันการแค่ที่เราเนี่ยเลิกจากการเบียบเปียนไปกินชีวิตอื่นเขานะเรามากินพืชผักผลไมนะ้อาหารเจรหรืออาหารมังสวิรัตเนี่ย อันนี้เป็นบุญประการที่หนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยนะมีจิตใจที่เมตตามีน้ำใจเห็นแก่ชีวิตอื่นด้วยมาเราไม่ได้เห็นแต่ชีวิตของตัวเราเองเท่านั้นเราเองเราก็อยากมีความสุขเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดดยง่ายชีวิตอื่นเขาก็อยากมีความสุขนี่ถ้าใครเคยไปดูนะที่โรงฆ่าสัตว์บ้างหรือที่เขาฆ่าเนี่ยจมาเคยเห็น ช่วงจะตุดจีนน่ยเขาจะฆ่าเป็ดฆ่าไก่กันเยอะเลยบ้านโยมอตมาที่จริงก็ก็เป็นแบบบ้านคนจีนน่ะนะพอโอ้โหใกล้จะตุดจีนเนี่ยเขาจะฆ่ากันเยอะเลยมีอยู่คราวหนึง่งอตมาจำได้ว่าเขาฆ่าคือคือเขาทาเองไงทำที่บ้านแต่ไปให้ลูกจ้างเนี่ยเป็นคนทำใช่ไ้ยลูกจ้างก็เอาไก่มาเสร็จแล้วก็ จับจับมันแบบว่าเหมือนกับหักคอมนอะ่ะเสร็จแล้วก็จะเอามีดเนี่ยกรีดนะปาดอ่ปาดคอโอพอพอกรีดปาดไอ้คอมันจะมีเส้นเลือดอยู่มันพอกรีดปาดปั๊บคอเนี่ยคอไม่ขาดนะแต่ว่ามันจะเป็นแผลลึกเข้าไปเลยพอแค่เป็นแผลลึกเข้าไปนั้นนั้นเองเขาจะจับคอมันเนี่ยหักหักออกมาเพื่อที่จะกรีดง่า ย, ายนะทันทีที่มีดหลุดมาจากคอเท่านั้นเอง โอ้โหเลือดนี่จะพุ่งกระฉูดเลยนะแล้วเขาก็จะรีบหักคอมันลงเขาจะเอาเลือดมันนะ่ะนะก็เอาใส่ชามตอนนั้นยังจําได้บ่โอ้โหเห็นแล้วยังรู้สึกเออแต่ก่อนเนี่ยตอนที่กินไก่คือเราไม่เคยเห็นว่าไก่นี่มันโดนฆ่ายังไงนะตั้งแต่วันนั้นมาเห็นแล้วเนี่ยรู้สึกแล้วเริ่มรู้สึกใจไม่ค่อยดีละแต่ตอนนั้นยังไม่กลัวนะไม่กลัวเรื่องบาปบุญคุณทั่วอะไรก็ยังไม่คิดอะไรมาก แต่มันมีความรู้สึกแล้ะในในใจเนี่ยว่าเอ๊ะมันมันไม่ค่อยจะดีเลยนะเพราะอะไรเพราอหลังจากที่เขาพยายามมาให้เลือดมันไหลลงไปในชามจนจนคิดว่าเลือดมันมันหมดแล้วอ่ะนะเขาก็จะก็จะโยนมันลงไปที่พื้นแล้วมันยังไม่ตายหรอกแล้วพอมันลงไปที่พื้นมันก็ยังดิ่นกระตุกกระตุกกระตุกกระตุกอยู่อีกพักหนึ่งแล้วมันถึงจะสงบนิ่งไปคือเราเห็นแล้วเราก็รู้สึกใจไม่ค่อยดีเลยบอกโอ้โห รู้สึกมันมันทรมานรู้สึกว่าเอะถ้าเราเองเนี่ยเราจะต้องมากินเนื้อเขาหรือมากินเลือดเขาอย่างเงี้ยเพื่อให้เรามีชีวิตอยู่ต่อไปแต่ว่าชีวิตอื่นเขาเนี่ยเขาต้องเจ็บปวดเขาต้องทรมานแล้วเขาต้องมาตายเพื่อเพื่ง่ายว่าเรายืดอายุเราแต่เราทำให้คนอื่นอายุสั้นอันนี้แหละที่มันเป็นบาปมันไม่เป็นสิ่งที่เราเองเนี่ย จะควรทําเลยวันยิ่งตอนหลังเนี่ยพอมาศึกษาธรรมะมาเข้าใจธรรมะชัดเจนเลยแล้วว่าโอโหเราเองนี่เราไปกินเนื้อแต่ละวันแต่ละวันนี่กินมาขนาดไหนอ่คิดดูอย่างมื้อหนึงเนี่ยกับข้าวแค่มื้อเดียวกับข้าวแค่มื้อเดียวบางทีนี่ไม่ใช่ชีวิตเดียวนะอย่างเช่นสมมุติเรามีเอากลับไม่ต้องมากอย่างมีกลับสักสองอย่างนะบางทีเอามี อะไรอ่ะผัดผักแต่ผัดผักก็ต้องมีเนื้ออยู่ใช่ไหมหรือว่ามีหมูอยู่อ่าหนึ่งหนึ่งจานแล้วหรือเราจะกินแกงจืดอ่าสมมุติ อ, อ, อะไรแกงจืดฟักหรือว่าต้มยำก็ได้อาต้มยำกุ้งก็ได้คืออย่างน้อยก็มีมีชีวิตอื่นอีกอะมีกุ้งหรือว่ามีเนื้อของสัตว์อีกกี่ชิ้นนะ่ะอยู่ในแกงจืดอย่างน้อยน้อยเนี่ยถ้าสองอย่างเนี่ยใช่ไหมถ้าถ้าถ้าเป็นสัตว์ใหญ่หน่อย นะเป็นหมูอย่างเงี้ยหมูตัวโตโ ต, ตแต่เรามาใส่เรามาใส่แค่ไม่กี่ชิ้นแต่ในหนึ่งชิ้นนั้นนะ่ะต่อให้ใครกินแค่ชิ้นเล็กๆชิ้นเดียวก็ตามแต่ชิ้นเล็กๆชิ้นเดียวมันก็มาจากหมูหนึ่งชีวิตเพราะว่าไม่มีใครเขาไปเอาเอาแค่ชิ้นเล็กๆมาทํากับข้าวแล้วไอไอตัวเขาก็ปล่อยเขาให้มีชีวิตอยู่ไม่ไม่มีหรอกเขาต้องฆ่าเลยอย่างหมูเนี่ยโอ้โห นะถ้าใครเคยไปเห็นพวกเรามีถ่ายทําเป็นวิดีโอมานะ่จาจักลงลงฆ่าฆ่าสัตว์โอโหเขาจะเอาหมูมาเนี่ยรับไม้ตีเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้ไม้ตีแล้วนะเขาใช้ไอกระบองไฟฟ้านะใช้จี้มันง่งนะแล้วก็เขาจะใช้เหล็กเนี่ยแทงทีแ ท, ง, ท, แทงเข้าคอมันเลยโอ้โหมันจะร้องทรมานมากๆเลย เนี่ยถ้าถ้าโยมเองโยมไปเห็นพวกนี้แล้วโยมจะรู้เลยแล้วนะเรามีเนี่ยถ่ายมาแล้วก็เอามารวมเข้าเป็นวิดีโอบางครั้งคนที่ไม่เคยเห็นก็เอามาฉายให้เขาดูบ้างนะพอเขาเห็นแล้วบางทีคนเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเราอยากจะไปคิดแต่อร่อยหรือว่าคิดไปกินเลือดนี่เขาหรอกนะแต่บางครั้งเราไม่รู้จริงๆเราไม่เคยคิดเลยว่าว่า ชีวิตอื่นเนี่ยหมูเป็ดไก่มันจะต้องทุกข์ต้องทรมานยังไงคือเราเราไม่คิดแต่พอมาเห็นหนังเรื่องนี้เข้านะโอ้โหบางคนเลิกกินเลยตั้งแต่นั้นเลยเพราะว่าเห็นแล้วเข้าถึงมันเหมือนกับสะกิดใจเขาได้เขารู้เลยบอกว่าโอ้โหถ้าเป็นตัวเขาเองเขาโดนอย่างเงี้ยอยู่ดีๆก็ใครจับเอาไปนะแล้วบอกว่าอ่ะฉันจะกินเนื้อแก่แล้วนะจะฆ่านะเอาไปลวกร้องเอาไปต้มร้อนเอามาชาแหละ นะแล้วก็มาหา่นเป็นชิ้นๆเอาใส่ไปในกับข้าวนั้นกับข้าวนี้โอ้โหเรานึกดูแล้วเรายังโอ้โหใจมันแบบว่าเออเราเราทําไม่ลงลนะถ้าจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอันเนี้อาตมาว่าถ้าเราเองเราชัดเจนเราเข้าใจในเรื่องผู้นี้ได้เราจะรู้ว่าอันเนี้ยเป็นบุญกุศลมากๆถ้าเราเองเนี่ยเราเข้าใจแล้วเราก็เลิกซะเพราะอย่างโยมรวมธรรมเนี่ย อาตมาว่าโยมได้บุญกุศลอย่างมากเลยนั่นในเรื่องของการกินมังสวิรัตหรือว่ากินเจนะซึ่งทำให้เป็นบุญที่สะสมให้โยมเนี่ยนะมีชีวิตอยู่ก็มีชีวิตอย่างมีคุณค่าแล้วก็มีสาระมีประโยชน์คือไม่ได้คิดถึงแต่ตัวเองเท่านั้นคิดถึงชีวิตอื่นในโลกด้วยแลวคนที่คิดถึงชีวิตอื่นในโลกเนี่ยมีเหรอจะเป็นคนแบบใจดา ไม่มีหรอกขนาดไม่ยอมกินไม่ยอมเบียดเบียนชีวิตอื่นเนี่ยเราจะอยู่โดยที่เราจะอยู่โดยที่ไม่ต้องทำให้คนอื่นมาตายเพื่อเราอย่างเงี้ยนั่นน่ะจะต้องแสดงถึงน้ำใจมากมากเลยเพราะนั้นอันเนี้ยเป็นบุญกุศลนะอย่างมากๆสำหรับโยนแต่ตอนนี้อาตมาว่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ลูกหลานได้พบเห็นเป็นเวลาถึงยี่สิบกว่าปี อันนี้อาตมาว่าแม้มันน่าจะกระทุ้งกระเทืองใจนะ้าลูกหลานที่จะเราน่าจะระลึกถึงความดีของโยมนี่อาตมาเพิ่งพูดเป็นอย่างเดียวนะของโยมเขาที่เราเองเป็นลูกหลานเนี่ย <c oughs> เห็นสิ่งดีของโยมแล้วเออเราน่าจะเอาอย่างนะาเราน่าจะทำตามบ้างอย่างน้อยๆใครที่ยังทำยากๆ อ, อยู่ก็เริ่มสิเริ่มจาก วันพระบ้างเริ่มจากวันเกิดตัวเองบ้างแล้วจริงๆก็เกิดทุกวันนั่นแหละนะถ้าวันไหนไม่เกิดก็ตายถูกไหมอ่าวันในที่สุดเนี่ยมันก็เกิดทุกวันนั่นแหละในที่สุดก็กินให้ได้ทุกวันเขาโยงโยงเขากินทุกวันใช่ไหมออถ้าตาบใดเรายังเกิดอยู่ทุกวันอ่ะเราก็ควรจะกินทุกวันนะอย่าไปเบียดเบียนคนอื่นเขาเลยอันนี้อาตมาว่าเป็นความกระตันอยู่แล้วก็เป็นความที่ จะเป็นบุญกุศลของของแม่เขานะหรือว่าของโยมมารีรัตเนี่ยที่จะทําให้เป็นบุญอีกทบหนึ่งแม้ว่าโยมเขาจะตายจากไปแล้วเพราะอะไรเพราะโยมเป็นตัวอย่างหรือว่าโยมเนี่ยได้แสดงธรรมอันนี้เขาเรียกว่าแสดงธรรมกันเขาเรียกว่าแสดงธรรมทางกายาธรรมนะสามารถจะมีชีวิตอยู่แบบเนี้ยให้ลูกหลานได้เห็น แล้วก็ทำเป็นตัวอย่างให้ลูกหลานได้ดูว่าทำได้จริงๆมีชีวิตอยู่มาถึง77ปีนะกินมังสวิรัตมาถึง20กว่าปีอยู่ได้จริงๆอยู่ได้อย่างยืนยาวโดยที่ไม่ต้องให้คนอื่นมาตายให้ตัวเองอยู่อันเนี้ยอาตมาว่าชัดเจนหรือว่าเป็นที่น่าเชื่อถือนะน่าที่จะไว้ใจอย่างสนิทใจมากกว่าแค่ โยมมาฟังทำรรนะบางทีเนี่ยโยมอ่านหนังสือธรรมะฟังเทศธรรมะบางทีเราก็ไม่รู้นะว่าเอจจริงหรือไม่จริงขนาดไหนบางทีเราก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแต่นี่โอ้โหมีตัวตนบุคคลทําให้เห็นอยู่ทุทกทวันนะแล้วเราก็เห็นจริงๆด้วยบางทีก็กินอยู่ด้วยกันใช่ไหมเออพูดคุยอยู่ด้วยกันเห็นเลยว่าพฤติกรรมทํำยังไงแล้วก็ไม่ได้แกล้งหลอกด้วย ไม่แน่นะบางทีโย ม, มาที่เนี่ยก็อาจจะยังไม่สนิทใจนะักก็ได้เพราะว่าก็ไม่รู้นะว่าที่นี่ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้นี่จะจริงหรือเปล่าจะมาเพราะว่าไม่คุ้นเคยหรือว่าไม่ได้มาคบคุ้นกันก็อาจจะยังไม่เชื่อสนิทใจแต่สําหรับโยมมารีรัตเนี่ยโยมเองคุ้นแน่แล้วโยมเชื่อสนิทใจแน่ๆเพราะฉะนั้นเราชัดเจนเลยว่าโยมเขาไม่มาแกล้งหลอกหรอก คือต่อหน้าเราก็ก็กินเจนะเดี๋ยวพอรับหลังไปที่อื่นคงไปกินเนื้อสัตว์มั่งถามจริงๆโยมจะเชื่ออย่างนั้นหรือเปล่าโยมจะเชื่ออย่างนั้นไหมอาตมาว่าพวกโยมเองเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วเพราะอยู่ด้วยกันมานานจนกระทั่งนะคุ้นกันจนเรียกว่าไม่มีอะไรมาปิดบังหรือว่ามาหลอกกันได้นละอันเนี้เแี่ยอาตมาว่า ถ้าอันเนี้ยเป็นคุณธรรมเป็นความดีของโยมเขาแล้วโยมเนี่ยก็แสดงให้ลูกหลานได้เห็นเป็นประจักษ์แก่สายตาแล้วนะอันเนี้ยถ้าโยมเองโยมก็ทําตามนะทำได้แค่ไหนพยานทำก็เถอะแล้วการที่เราทําตามผู้ที่ทําเป็นตัวอย่างให้เราเห็นอันนี้เป็นบุญกุศลก็เหมือนกับสมมติว่าพระเนี่ยมาแสดงธรรมใช่ไหมบอกสิ่งดีๆให้โยมแล้วโยมก็เอา เอาธรรมะที่ฟังเนี่ยไปประพฤติไปปฏิบัติ่มท่านเองท่านทำอะไรมาได้แล้วท่านก็แสดงสิ่งนั้นให้โยมโยมเอาไปทำดีขึ้นมาได้อ่าอันนี้พระก็เรียกว่าแสดงธรรมทานนะก็ได้ธรรมทานก็ได้บุญกุศลบุญที่เป็นธรรมทานนี่เป็นบุญที่ประเสริฐที่สุดเป็นบุญที่มีบุญสูงที่สุดเหมือนกัน โยมเนี่ยก็ทําตัวอย่างและทําตัวเองได้ด้วยแล้วก็ให้ลูกหลานได้ทําตามด้วยอันนั้นก็จะเป็นธรรมทานของโยมมารีรัตที่ทําได้อย่างดีนะได้อย่างอะไรอะชัดเจนหมดจดเลยทีเดียวนะซึ่งอันนี้อาตมาว่าถ้าลูกหลานเองนะเรามีความกระตันยูเรามีความรู้คุณท่านว่าเออเราก็อยากให้ท่านได้บุญกุศลอันนี้ เราเองพยายามปฏิบัติให้ได้อย่างที่ท่านสอนเราสอนทั้งบางทีอาตมาว่าคงจะพูดสอนเองด้วยปากบ้างนะหรือไม่ก็บางทีเผลอก็ไม่รู้จะบังคับบังหรือเปล่านะหรือว่าชวนให้เอากินบ้างสิอย่างนั้นอย่างนี้นะอาตมาเชื่อว่าโยมก็คงจะต้องเจอกันบ้างแหละนะอย่า ง, งน้อยนะซึ่งอันเนี้ยถ้าถ้าญาติโยมนะเข้าใจแล้วก็เชื่อได้ อาตมาว่าน่าก็จะเหมือนกับว่าเสริมบุญกุศลเหล่านี้นะให้กับกับแม่หรือว่าให้กับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนะท่านก็จะได้บุญกุศลอันนี้ยิ่งขึ้นซึ่งบุญกุศลนี้ไม่ได้ไปไหนบุญกุศลนี้ใครทําใครก็ได้นะโยมมารีรัตทำนะได้กินมังสิรัตได้กินเจ นาสะสมจิตใจที่ดีงามอันนี้เอาไว้ยมก็ได้บุญกุศลนี้แม้ตายในชาตินี้แล้วจะไปเกิดในชาติอื่นหรือไปเกิดในชาติไหนๆบุญกุศลนี้ก็จะตามนะตามไปสนองหรือว่าตามไปเกื้อกูลตามไปช่วยเหลือเพราะในโลกนี้ไม่มีอะไรฟรีถ้าใครทำบาปใครทำกรรมเอาไว้าบาปกรรมก็ตามไปเหมือนกันแต่ถ้าใครทาบุญกุศลเอาไว้ บุญกุศลก็ติดตามเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยผู้เจ้าท่านเปรียบเอาไว้จะทำดีก็ตามทำชั่วก็ตามนะจะจะตอนมีชีวิตอยู่ก็ก็ตามหรือแม้ตายไปแล้วก็ตามกรรมที่ทำทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าบุญหรือบาปก็จะติดตามผู้นั้นไปนะเหมือนเงาเหมือนเงาที่ติดตามตัวเราไปจะตามไปอย่างนั้นเลยตามไปติดๆดเลย นะซึ่งถ้าใครเข้าใจอันนี้ได้คนนั้นก็จะได้นะระมัดระวังชีวิตในแต่ละวันเราจะได้พยายามระลึกนะถ้าใครเนี่ยระลึกถึงโยมนะพวกเครือญาติพวกลูกหลานเนี่ยเราระลึกถึงโยมก็เออโ ย, ยมทําดีอะไรไว้บ้างเราร ะ, ะลึกได้นะก็พยายามทําดีตามนั้นนะ่าจะช่วยเยอะเลยแล้วอย่ามามัวเศร้าโศกเสียใจนะโอ้โหโยมเสียชีวิตไปแล้วนะดูซิ เดี๋ยวนี้เราไม่เห็นแล้วเราไม่เจอแล้วเราไม่ได้คุยแล้วเราก็มาร้องห่มร้องไห้เสียใจแต่เป็นยังไงบางทีตอนที่โยมมีชีวิตอยู่บางคนก็อาจจะดื้อๆบงนดื้อๆบางเถียงบ้างนะหรือว่าแบบว่าไม่ยอมโยมเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยมาเสียใจทีหลังเพราะนั้นคนเราเนี่ยอย่ารอให้ตายจากกันไปก่อนจริงๆตอนมีชีวิตอยู่เนี่ย นะทำดีอะไรได้ควรทำให้กักนและกันเพราะว่าบางทีชีวิตคนเรามันไม่ยาวนักหรอกอันนี้บุญของโยมเขาอยู่ได้ถึงเจ็ดสิบเจ็ดปีแต่บางทีเราที่นั่งมนอยู่ในที่นี้ทุกคนเนี่ยไม่แน่หรอกวันนี้พรุ่งนี้นะใครจะไปรู้ละ่ะว่ามัจจุราชหรือความตายเนี่ยจะมาเยือนเราหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เพราะานั้นวันนี้ถ้าเราไม่ได้ทำนะก็หมดโอกาสละ วันทุกๆวันเนี่ยเวลาเราตื่นเช้านะให้ถามให้ตั้งคำถามถามตัวเราเองเลยว่าเออวันนี้มีมีความดีอะไรที่จะให้เราทำเพื่อที่เราจะสะสมใส่ธนาคารบุญนะธนาคารบุญเก็บสะสมเอาไว้เมื่อเวลาเราเดือดเนื้อร้อนใจเป็นทุกข์หรือว่ามีภัยอะไรเกิดขึ้นจะได้เบิกบุญมาใช้ได้ ถ้บุญที่เก็บสะสมไว้เนี่ยจะได้เบิกมาใช้แต่ปรากฏว่าธนาคารเนี่ยเขามีอยู่แต่เราไม่เคยไปฝากเลยอแล้วเอาอะไรไปเบิกอ่ะมันไม่มีเสร็จแล้วปรากฏว่าธนาคารบาปทําเอาทําเอาเแต่ละวันน่ะนะไปฝากอยู่เรื่อยเลยธนาคารบาปไม่ต้องเบิกเลยนะพอถึงเวลาเขาแจกให้เลยอ่ะไม่ต้องเบิกเลย จริงจริธนาคารบุญก็เหมือนกันไม่ต้องเบิกหรอกพอถึงเวลาเขาจ่ายเลยจะจ่ายปันผลหรือจะจ ะ, จะจ่ายคืนยังไงเขาจ่ายทันทีแม้เราไม่อยากจะได้เขาก็จ่ายให้นะเรื่องของบุญหรือว่าเรื่องของบาปเนี่ยพอถึงเวลาจ่ายให้ทันทีเลยถึงคิวเขาเรียกว่าถึงคิวเพราะฉนั้นถามจริงๆริงว่าอย่างบางคนเนี่ยอยากจะตายไหมไม่มีใครอยากจะตายแต่พอถึงเวลาจ ะ, จะต้องตาย อะไรก็ห้ามไม่อยู่ขนาดว่าเขาเคยมีนะบางคนเนี่ยนะแบบว่าสามารถที่จะเก่งนะหรือว่าไปเจอหมอหมอพยากรเนี่ยพวกหมอดูโอ้โหแบบชนิดเก่งมากๆนะจนสามารถบางทีเขาทายเขาทายแม่นๆน น, นนะบอกว่าเนี่ยวันนั้นวันนี้นี่ระวังนะอันตรายนะอาจถึงตายได้ขนาดต่อให้รู้ๆแบบคุณระวังยังไงคุณระวังยังไง ถวิบากกรรมหรือผลของกรรมนะที่เราทำเอาไว้มันถึงเวลามันแล้วอ่ะทํายังไงคุณก็ไม่พน้นละมันสายไปแล้วคราวนี้จะมาเร่งทําบุญตอนนี้นะแต่ปรากฏว่าบุญตอนนี้เระรีบทํารีบทําขึ้นมามันช้าเกินไปแล้วไอ้บาปที่เราสั่งสมไว้ตั้งเยอะแยะมันมันก้อนโตกว่านะแล้วก็มันตามมาทันแล้ว นะในพระไตรปิฎกเนี่ยท่านเปรียบพวกาบาปกรรมเาไว้ว่าเหมือนกับสุนัขล่าเนื้อเนี่ยนะมันจะตามกัดตามกัดคนนั้นตามกัดเจ้าของอะ่ะนะเพราะฉะนั้นพอถ้าเราเองเนี่ยเราไม่สะสมบุญให้พอใช่ไหมมันก็เหมือนกับเราหยุดนิ่งๆแล้วเราก็ยืนอยู่แต่ตอนนี้บาปกรรมที่เราทําเอาไว้มันไม่รอเนี่ยมันตามเรามาอยู่ตลอดเวลา พ้นพอคนนี้หยุดนิ่งยืนอยู่ปั๊บมันทันเมื่อไหร่มันก็งับเมื่อ น, นั้นทันทีเลยพ้นพอมันงับเข้าเมื่อไหร่คนนั้นบางทีก็นั่นแหละนะเกิดอุบัติเหตุบัง่งนะเจอเพศภัยอะไรบ้างนะอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยนะหรือว่าต้องข้าวของเสียหายหรือว่าถูกทําร้ายถูกอะไรหรืออาจจะถึงตายซึ่งทันทีก็แล้วแต่ว่ากรรมของคนนั้นใครจะไปทําไว้ เยอะหรือว่ามากมายขนาดไหนซึ่งเรื่องของกรรมเนี่ยพระเจ้าเจ้าท่านแบ่งเอาไว้นะท่านแบ่งเอาไว้ห้าอย่างใหญ่ๆว่าผลของกรรมเนี่ยถ้าตามมาแล้วนะจะทำให้คนเราเนี่ยเกิดเป็นยังไงบ้างไม่รู้น ะ, ะว่าพวกญาติโยมนี่จะเคยได้ยินได้ฟังมาบ้างไหมอาตมาเองเนี่ยจะเอาพระสูตรนี้มันเป็นพระสูตรอยู่ใน ปไตยปิฎกเล่มที่ย2สิบสองพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตรัสถึงเรื่องของกรรมว่าว่ากรรมเนี่ยมีความแตกต่างกันออกไปอยู่ห้าอย่างนะคือหนึ่งกรรมที่ให้ผลในนรกอันนี้เป็นอย่างแรกกรรมที่ให้ผลในนรกหมายถึงว่าเนี่ยเราสร้างกรรมอะไรไว้ กรรมนี่แปลว่าการกระทําที่เรากระทําเอาไว้เนี่ยตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่นั้นเราไปกระทํากรรมเอาไว้โดยเฉพาะกรรมที่เป็นบาปกรรมถ้าเราไปทําบาปกรรมเอาไว้เนี่ยผลที่ตามมาก็คืออย่างแรกก็คืออย่างแรกก็คือจะได้นรกคําว่านารกในที่นี้ไม่ต้องรอตายนารกที่นี่ไม่ได้หมายความว่าตายก่อนแล้วถึงจะไปได้นรกไม่ใช่จริงๆแล้วไม่ต้องตายเลยมีชีวิตอยู่เนี่ยแหละ แต่กรรมนี้มันตา ม, ตามมาตั้งแต่ตอนที่เรามีชีวิตอยู่นี่เลยมันไม่ต้องรอว่าเดี๋ยวเราตายจากชาตินี้แล้วนะถึงได้ค่อยไปตกนรกอันนั้นอันนั้นเป็นความเข้าใจผิดของคนจำนวนมากที่ยังไปเข้าใจว่านรกก็คืออะไรอยู่ใต้ดินอาจจะมีกระทะทองแดงมีต้นยิ้วมีอะไรพวกนั้นอันนั้นเป็นแค่การเปรียบเปยเท่านั้นเองนรกจริงๆไม่ได้หมายความอย่างนั้น นรกจริงๆพระพุทธเจ้าท่านหมายความว่าน่าหมายถึงสภาวะจิตใจที่จะต้องทุกข์จะต้องเดือดร้อนจะต้องทรมานทรกรรมเพราะฉะนั้นใครเนี่ยไปสร้างกรรมเลวสร้างกรรมร้ายเอาไว้เนี่ยผลที่จะตามมาก็คือจะทําให้คนนั้นเนี่ยจะต้องเดือดเนื้อร้อนใจ